สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตรพระเยซูตอนที่495พระวาทะเจ็ดประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวาทะที่เจ็ดเป็นถ้อยคำแห่งการยอมจำนนครับบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ46พระวีดาเจ้าข้าข้าพระองค์ ขอมอบวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ขอมอบวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผมขอทบทวนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะทบทวนภาวะทาเจ็ดประโยคบนไม้กางเขนพระวทะทาแรกครับพระเยซูกําลังพูดกับพระบิดาเบียซูทูลขออภัยโทษ ให้กับคนเหล่านั้นที่ตอกตะปูตรงพระองค์ที่กังเขนพระองค์ ท, ทูลขอดังนี้โอ้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทาอะไรภาวนาที่สองเป็นถ้อยคำที่พูดต่อโจนพระเยซูตรัส ถ, ถ้อยคำแห่งความรอดวันนี้เจ้าเะียวอยู่กับเราในเมืองบระสุทธิเกษมระวานาทที่สามพระเยซูตรัสกับมารดาของพระองค์ เป็นถ้อยคาแห่งการปลอบใจกันแล้วรวมใจเปียสูตรัดว่ายิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพราวาท่าที่สี่เป็นพราวาท่าที่เปียสูพูดต่อพระเจ้าเปียสูตรัดถ้อยคำแห่งความเจ็บปวดและการถูกทอดทิ้งโรงตรัดว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าเหตุไหนจงทอดทิ้งข้าโปรงเสียราวาท่าที่ห้า เปเยซูกล่าวต่อผู้เชื่อเปเยซูตรัดค่อยคาแห่งการทนทุกเปเยซูตรัสว่าเรากระหายน้ําพราวนาที่หกเปเยซูตรัสแก่โลกเปเยซูตรัดค่อยคาแห่งการสําทริ์ผลความสําเร็จที่ว่าสําเร็จแล้วและในเช้าวันนี้ เราอยู่ในพระวาทะที่เจ็ดเป็นพระวาทะที่พระเยซูตรัสกับพระบิดาครับเป็นถ้อยคำแห่งการยอมจำนนพระบิดาเจ้าข้าข้าพรองของมอบวิญญาณจิตของข้าพรองไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์บอไปนี้เป็นคำอธิบายในขณะที่ถ้อยคำทั้งหมดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้น เป็นพระสุรเสียงแห่งสิทธิอํานาจที่แสดงถึงการเท่าเทียมกับพระเจ้าที่แสดงถึงการที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แสดงถึงความอ่อนแอความเจ็บปวดของพระองค์ในการเดียวกันเป็นคํากล่าวที่แสดงถึงความเข้มแข็งความปรารถนาที่จะ ทำตามน้ำมันไทยของพระเจ้าแผนการของพระองค์สำเร็จคำกล่าวสุดท้ายนี้มีความสำคัญมากที่สุดก็เป็นคำกล่าวที่พระเยซูก่อนจะสิ้นใจเป็นคำกล่าวที่พระเยซูกำลังจะสิ้นพระชนเป็นคำกล่าวสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงห่วงใยต่อการตายการตายที่พระองค์กำลังตายกำลังจะตายอย่างสิ้นใจ พระองค์ทรงห่วงใยต่อพระคุณแห่งการยกโทษพระองค์ทร ง, ทรงคำนึงถึงการทรงไถ่ของพระองค์พระองค์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลอบโยนการเมตตาสงสารการทนทุกข์และภาวะใกล้าตายคากล่าวของพระเยซูนั้นถือเป็นการสิ้นสุดและการ กำหนดอย่างแน่นอนเกี่ยวกับนิรันดรการไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปแล้วเปเยซูทรงสำเร็จพระราชกิจของพระองค์เพื่อการทรงไทยเมื่อพระองค์กาลังจะสำเร็จด้วยภาวาทาที่เจ็ดก็คือการมอบวิญญาณจิตให้กับพระบิดาเจ้านั้นก็เป็นอันจบสิ้นครับไม่มีการพยายาม เปลี่ยนแปลงและจะเกิดผลเป็นไปนไม่ได้ไม่มีการต่อรองใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วครับและไม่สามารถเพิ่มเติมตัดออกได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำสาเร็จแล้วและพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนั้นทำให้เราเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างง่ายดายศาสนาธรรมดาทั่วไป ทำให้ซับซ้อนศาสนาทําให้ยากศาสนาทําไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่เราทําได้โดยการตอบสนองต่อการทีประชนของพระองค์ก็คือการรับเชื่อในองค์พระวิญญาณครับสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาแทนที่พระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้บังเกิดความรอด น, นั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ไม่มี สิ่งใดที่จะทดแทนการพิพนิจพิของพระบุตรพระเยซูได้ครับการพยายามที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานของพระเยซูบนแม่ เ, นเขนก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันความพยายามใดๆครับที่จะไม่ผ่านพระเยซูนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ใครก็ตามที่สอนว่าพระเยซูไม่ใช่ทางเดียวไปสวรรค์ก็เป็นคําสอนที่ผิดเพี้ยน และที่บนกลางเขนั้นนี่เห็นความบาปถูกชำระอย่างครบถ้วนแล้วโดยพระบุตรองเดียวของพระเจ้าคือพระเยซูและสิ่งเดียวครับที่คนที่ยังไม่ได้รับความรอดหรือชาวโรคนั้นที่จะทำได้เกี่ยวกับการที่พระชนของพระองค์ก็คือจะต้องยอมรับหรือไม่ยอมรับครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกครับและสิ่งเดียวที่ผู้เชื่ออย่างเรานั้น ทำได้กับการสิ้นพระชนก็คือปกป้องปกป้องไว้นะครับแทนที่จะเพิกเฉยพี่น้องครับถ้อยคาแรกจนถึงถ้อยคําสุดท้ายของพระเยซูที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ถ้อยคําแรกอยู่ในลูกาบทที่สองข้อสี่สิบเก้าที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีนะครับก็คือเราจะต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของเราอันนี้ปรากฏอยู่ในลูกาบที่สองข้อสี่สิบเก้านะครับ และถ้อยคําของพระเยซูก่อนสิ้นภารกิจของพระบิดานะครับก็คือข้าพระองค์ขอมอบวิญญาณจิตของข้าพระองค์ในพระหัตถ์ของพระองค์พี่น้องครับเสียงร้องของพระเยซูนั้นเป็นเสียงร้องที่ดังนะครับไม่ใช่เป็นเสียงร้องที่แผ่วเบาไม่มีใครได้ยินอย่างน้อยๆอ ย, ยอนกับผู้หญิงอีกสี่คนที่ยืนอยู่ใต้ไม้กางเขนนั้นได้ยินแน่นอนครับ เสียงร้องนี้เป็นการบ่งบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นกําลังจะกลับคืนสู่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ขาดการติดต่อขาดจากกันประมาณสามชั่วโมงนะครับการที่เรียกหาพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของอพระองค์และกําลังจะกลายเป็นสิทธิอันชอบธรรม กับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ด้วยพี่น้องครับพยยระเยซูไม่ได้อยู่ในมือของมนุษย์อีกต่อไปแล้วพยยระเยซูกําลังมอบพระองค์เองอย่างมั่นใจและมั่นคงในพระหัตถ์ของพระเจ้าเสียงเรียกเสียงเรียกร้องท้งสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากใบอิงเขนนั้นเป็นที่ที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองในพระหัตถ์ของพระเจ้า ที่น้องครับพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันครับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนั้นเราจะต้องมอบถวายวิญญาณจิตของเราให้อยู่ในพระหัสถ์ให้อยู่ภายใต้การดูแลของพระบิดาอย่างมั่นคงเหมือนกันอันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อสิบสองครับการมอบถวายนะครับมีความหมายว่าเป็นการยอมจำนอนอย่างที่เชิงและการพึ่งพาในพระองค์เต็มที่ครับ และเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะยังคงอยู่และเป็นที่เดียวนะครับก็คือพระหัตถ์ของพระบิดาซึ่งมั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ครับพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจมีฤทธิ์อำนาจที่จะปกป้องคุ้มครองเราได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์นะครับฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกได้รับการสร้างโดยผัสของพระองค์เพราะฉะนั้นผู้เชื่อนั้นจะได้รับการปกป้องโดยฤทธิ์อานาจ ที่มาจากพระเจ้าครับพี่น้องครับเราจะต้องมีความมั่นใจพระเยซูบนแมงเเขนนั้นพระองค์กล่าวด้วยความมั่นใจและร้องด้วยเสียงดังว่าพระหัตถ์ของพระองค์สามารถที่จะปกป้องพระเยซูได้ก็ปกป้องเราได้เช่นเดียวกันครับเสียงร้องท้งสุดท้ายนั้นเป็นการมอบพระวิญญาณของพระเยซูไว้ในการดูแลนิรันดร์ของพระเจ้าพี่น้องครับ เราประกอบด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณครับจิตใจหรือจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ฉะนั้นการที่เยซูมอบวิญญาณจิตของพระองค์เป็นตัวอย่างครับให้เราที่จะมอบวิญญาณจิตของเราอยู่ในการดูแลของพระวิดาเป็นความมั่นใจประการเดียวแห่งอนาคตนิรันดร์การ เรามีอยู่ครับเยซูกําลังสอนเราให้เรามั่นใจว่าการดูแลของพระเจ้าจะมั่นคงปลอดภัยอย่างแน่นอนดังนั้นครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ <c oughs> ในวันนี้ที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพื่อที่พระวาทะทั้งเจ็ดของพระเยซูนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณที่เราจะพัฒนาให้ใกล้ชิดกับโปร่งมาก ย, ยิ่งขึ้นและรู้น้ำมัทไทยของโปร่งมาก ย, ยิ่งขึ้น อาเมน